พระธรรมเทศนาแผ่นที่58ลำดับที่26โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่9ตุลาคม2556มีชื่อเรื่องว่าไม้เท้าของเท่าพราม พวกเลาท่านทั้งหลายได้อาราธนาศินไดไหวพระเชิดชูบูชา พ, พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เรียบร้อยแล้วพวกเข้าก็ะดะอาราธนาศินพวกเข้าไหนสังเกตบ่ไปตามวัดต่างๆหรือว่าอาราธนาศินแต่โดยมากเดี๋ยวนี้ว่ามะยังพันเตวิสูงวิสูงรักนัดทายะติสารเ น, นตระหะปัญจศีลานิยาจามะเนี แต่ใบไปวางวัดมะยังพันเตติสลาเนสหะปัญจศีลานิยาจามะนะรักษาศินขอสินสินหาคือกันเป็นอย่างยังเบาสองอยางาว่าวิสูงวิสูงกับปัญจศีลมีความหมายจังใดมีความหมายดเดสมีความหมายต่างกันคือวิสูงวิสูงรักนาถายะนี่พวกผู้ขาทาั้งหลายขอสัมมาท่านศิน เป็นขอขอเป็นขอขอตั้งแต่ขอที่หนึถึงขอที่หาแต่มาย่างพันเตติชันรนธัสณะปัญจศีล่าในญาิย า, ามะพวกภู้ขาทั้งหลายขอสัมมาท่านศินทั้งหาขอร่วมกันนี่คืออาลัธนาศินมายังพันเตวิสูงวิสูงกับปัญจศีล่านีความหมายคือต่างกันคือพวกเฮ้า ว, วิสูงวิสูงละขนาดท้ายะนี่ ผู้ขาจะรักษาศีลเป็นคอขอกเพราะว่าผู้ข่าบ่มันใจจะรักษาร่วมกันอย่ามันขาดพ้อมกันเลยรักษาเป็นขอกพอขาดคอที่หนึ่งพอเห็นพอจบยุ่งยุ่งตายแปลว่าขาสัดศีลคอที่นึงขาดแล้วป่าหน้าที่ป่าดพอลองไปไปเห็นล่องเท้าเขาง้างกจะจกของสวมล่องเท้าเขาขีเขม่วยกันเราไปขึ้นเขม่วยลองเท้าเขา อันนี้แปลว่าศีลขาดขอที่สองอพ่อไปพูดเกี่ยวมาหลอกกอกแกกับสามีภรรยาลูกหลานผู้อื่นเา้าผิดศีลคอที่สามไปกี่ตัวเขาอีกผิดขินขอที่สี่ไปกินเหล่าเ็าไปอีกผิดศีลขอที่หาขาดเป็นขอข อ, ขอวิสูงวิสูงนะแต่ไม่ย่งพันเตติสารเนรส า, าปัญจาเนี่ย ผู้ขาจะรักษาศินร่วมกันทั้งหาคอพร้อมกันเลยที่รักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งหาคอเนี่ยเข้าเกาเข้าเกาจังสันเข้ า, าขอจังสันบ้านี้กัรับสินนี่คำว่าขาดคอหนึ่งกับแม่ขาดทั้งหมดทั้งหาคอแต่ลงพอเนี่ยลงพอวักควรจะหาคว้านจะรักษาให้จบหาคอพร้อมกันนั่นแหละเพราะเหตุใดเพราะว่า บ า, ทาเท้าได้เทาก็ะจัดได้ร่วยได้เป็นบนลอลล่ะโบแมนจะได้เทระหายซีบสตางค์เทระบาดได้มันได้เป็นรลอยๆพันๆโหลดเพราะนั้นเท้าขั้วจะรักษาศีลปัญจศีลในญาจามะรักษาศีลโดยความตังอกตั้งใจโบแมนจะรักษาเพียงแต่เป็นพิธีซื้อศีลหาไม่อย่างแ น, น่ผู้ที่บกเคยเขาวัดเขา ว, ว่าบกเคย มาสูวัดว่าศาสนาบกเคยได้เกินคู่บาอาจารย์ลงปูลงตาเบาให้ฟังเออเมื่แต่ว่าปานาติปาตาเว้แล้วมะเนี่ยปานาไปหาติปาตาใจยังไหนฮะเออเ่เป็นของสนุดมุกไปเล่นเป็นของเล่นไปได้ฮะเอออันนี้คือพระบาลีว่าปานาติปาตาเวรมณีสิขาประทางสมาธิยามิข้าไปเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าคำว่าฆ่าคำนี้นะฆ่าผู้อื่นเน่ย บวา่าติขาสัตถ์เนี่ยขาค้นโมเมนต์ติาสัตว์ว่ขาสัตสัดชีวิตโมเมนต์ขาค้นก็คือสัตคือกันเป็นยมวาร์สัตถ์ในหลักธรรมคัมสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นว่าสัตตะแปลว่าผู้คล่องผู้คล่องอยู่ในภพในชาติตั้งแต่สวรรค์สั่นพมลงมาขั้นผู้ใดย่งางพระได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แปลว่าสัตตะทั้งมัดเป็นผู้ย่งของอยู่ เออคือกินคืบกินคับงูเดือยงูเหลือมของในปาน่าท่นน่ะมันของมันออกไปมันไปบพราะไรยังติดอยู่ในเรื่องกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่อันนี้เรียกว่าสัตตะไปว่าผู้คล้องผู้ค้องอยู่ในโลกเเพราะนั้นยาขาสัตว์คือขาสัตว์คือคือตั้งแต่มนุษย์เว่าระดับรดาเป็นสัตว์ทั้งมดอยู่ในโลกเนี่ยย่าเบียดเบียนกันยาขากัน เนี่คาสตัตว์ชีวิตถ้าเห่าไปคาเขาแม่ยังว่เ า, าเขาไปคาเขาแต่ว่าความรู้สึกของเขาที่ถูกคาะเป็นยังไงพอแม่พี่นองลูกหลานญาติโกของติกาของเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรเสียใจอย่างไรคาทว่าเห่าไปคาเขาเขาก็โทษเมืนไผ่มะขาพี่นองลูกหลานพอแม่ของเห่านี่ยก็ผูกพยาบาทอาฆาตไปแล้ว เอาเถอะถ้าว่าพูดได้มาขากูจะนําไปขามาันอีกฮะจองเว้นกันอะไได้บัตรเพราะนั่นเรื่องการขามัเป็นผลดีถ้าเขามาขาเฮาเฮาก็เสียใจถ้าเขามาขาเฮาเฮาเสียใจถ้าเฮาไปขาผู้อื่น่ะเขาก็เสียใจคือกันเออไปขาลูกกาลูกไก่ไก่กาเขาก็เสียใจขั้ น, ขกกกกขนวา่าเขามาขาพ่อแม่พี่น้องของเฮาเฮาก็เสียใจคืบกันพราะนั้นพระพุทธเจ้าผนมองเห็นแล้วว่า การขากัด น, นี่บเป็นโมเมนแนวดีมีแต่เป็นผิดเป็นพ่ายมิแต่จองล่างจองผานกันมีแต่ผูกพยาบาทอาขาดจองเว้นซึ่งกันและกันพระพุทธเจ้าว่าปานาติปาตาเว ร, รมณีสิกขาประทางสมาธิยามิขาพระเจ้าจะงดเว้นในการขา่าในการซิก ข, ขาคือกันจะรักษาจะบอกขาตั ด, ตดีตัดชีวิตผู้เอนอันนี้คือศินขอที่หนึ่ง ข้อที่สองอที่หน้าท่าหน้าเวรามาณีการขโมยผู้อื่นไปขโมยของเขาเขาก็เสียใจเมื่อเข้าไปขโมยของเขาไปขโมงง้ไควายสร้างหมาหมูม้าเป็ดไก่แอกไถ่ล่องเถ่าเสื้อพาเงื่อนข้ามทรัพย์สมบัติของเขาเขาก็เสียใจเมื่อเข้าไปขโ ม, ขเขขโมยเขาถ้าเขามาขโมยของเขาหรอเขาก็เสียใจขึ้นกัน เพรเขามาขโมยของเข้าขโมยพ่อแม่พี่น้องหลกร้านของเข้าไปเรียกค่าไทยเองสิเข้าเสียใจบ่เข้าเสียใจอย่างมากขคาว่าเขาไม่เอาของเข้าไปเรียกค่าไทยขึ้นกันเข้าเสียใจบ่เข้าก็เสียใจขึ้นกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าพนมองเห็นแล้วว่าอืการยูน้ากันไปขโมยกันมันบด่ดีให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันมันจึงจะถูกต้อง ตัดไปขโมยการเงินงสนมีถุนความยุ่งเยิงวุ่นวายเกิดขึ้นในชุ่มชนสังคมของมนุษย์ชุ่มชนของสูญเจ้านี่แหละผลเจงบรญยัติศีลข้อที่สองข้อที่สามกาเมสุมิทสาจาราเวรามานี่ให้เคารพสิทธิสาบีภรรยาของผู้อื่นเขาเฮาต่างคนก็ต่างมีต่างคนก็ต่างมีผัวมีลูกมีเมียมีหยดหยาติโกขุติกามีพอมีแม่ พอนันให้เคารพศิษย์ซึ่งกันและกันเนออย่าไปล่วงล้ำกันเขาลบอธิปไตยซึ่งกันและกันเ้าเห่าไปร่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจตระกูลของเขาเขามาร่วงล้ำตระกูลของเห่าเห่าก็เสียใจขึ้นกันเพราะนั้นให้เคารพศิษย์ซึ่งกันและกันเนออันนี้คือศินขอที่สามขอที่สี่มุสาว่าธาเวลมานี่อย่าไปขี่ตัวเขานอะอย่าไปต่มตุนหลอกล่วงผู้อื่นเขาถ้าเขามาขี่ตัวเห่าต่มตุนหลอกล่วงเห่า เข้าก็เสียใจโบแมนบอกยังเอาเขาอกี่กลัวยอมท่องมากไอ้นี่แล้วไอท่องแล้วเนี่ยบัตห้าเบอร์แต่แต่ไม่เป็นกี่กลัวอยู่ทางในเข้าอันตีใจเพราะเขาก็เสียใจคานว่าเข้าไปต้มเขาเขาก็เสียใจเขามาต้มเขา้าเขาก็เสียใจคือเกิดยังเข้าไปเขียนเซ็กไปให้เขาทั้งทีโบมีเงิน เ, เซ็กกี่ตัวเซ็กเด้ง เ, เขาก็เสียใจเมื่อเขาเออกไปเขา่า ธนาคารนะมันบอมีเงินคันเขามาต้มเข้าหรือเปล่าเข้าก็เสียใจขึ้นกันเพราะนั้นอยา่าอย่าต้มขันอย่ากีตัวกันอย่ากโกหกกันมันบแอนแนวดีเสียหายบุพเดชยาวบนว่าอันในข้อที่สี่ข้อที่หาสุราเมรัยะอย่าไปดื่มสุราและเมลัยอย่าไปกินเหล้าอย่าไปกินยาบ้ายาหมาคันชา ย, ยาฟิ่นเฮโรอีนอย่าไปเสพติดในของเหล่านั้น ทว่าเข้าไปเสพติดในของเรานั่นแล้วสมองของเข้าปันป่วนขาดสติคนขาดสติคือคนเป็นบ้าเป็นบ้าชั่วระยะในขณะที่มึนเมาเมื่อค้นขาดสติแล้วขาดความรับผิดชอบเพราะมันขาดสติมันทําความชั่วเลยทุกอย่างบ้าเนี่คนขาดสตินะขาพ่อขาแม่กระไรขาลูกขาเมีอะไรกระไรขาผัวกระไรขาลูกก็ไไรเนี่ข้าม่วยของผู้ไรก็ะไร ลาลาบลาหลวงสามีภรรยาลูกหลานของไพรก็ได้เพราะเหตุใดเพราะมันขาดสติขี่ตัวไพรก็ได้เพราะมันขาดสติเพราะท่านศีลขอที่หาเป็นศีลอันตรายเนเอะเมนอยูู่เป็นของส่วนตัวเฮาเมืมาสื่อเหลามากินเลยสําหรับเฮาเมื่อใดเบียดเบียนผู้อื่นแต่พอกินแล้วมันเมา่มันขาดสติพราะมันขาดสติแล้วทําความซัวได้ทุกอย่างเพราะนั้นให้สํารวมให้ละว่างเนเอะกินหนามทามารามดาบันบ่เมา่เด้ พอกินเหล่าเข้าไปมันเมา eh, พอมันเมาแล้วมันขาดจิตเตะพอกขาดจิตเแล้วมันเหตุความสัวสิ่งที่บุกคลเบาเข่าเบาเสียงบุกคลพูดกับพูดสิ่งบุกคลเปิดเผยกับเปิดเผยบ่หูจักสูงบ่หูจักต่ำอีกเส้ใส่เส้ควัดเบิงเบิ่งเหรเสียมัญญาญเสียบุคลิกเสียสมบัติผู้ดีบุกคนกินเหลา่าเฮาอยากเป็นบ้าบ่บ่แล้วขั้นบ่เป็นบ้าเป็นยังอย่างกินเหลา้า มันเมากืคือบ้านแมนบอสแมนฮนี่แหละเพราะฉนั้นขอให้พวกเข้าทั้งหลายเนอะตรงพอเว้าวให้ฟัง เ, เอาความจริงมาเว้าแเดีย๋ยวพอทำมาคำ้คำทำค้ำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทได้ออกของหลอกหลอกมาว้าเอาความจริงมาเว้านะไปยังเข้าขาผู้อื่นสิเขามาขาเข้านะี่เออสินของพระพุทธเจ้าเขาเข้าเขาเข้าเข้าไปขาเขาเขาเสียใจเขามาขาเข้าเขาเสียใจ เขาไปขโมยของเขาขอเสียใจเขาพักขโมยของเขาเข่าเสียใจสามีภรรยาของเฮาเข่าก็ะหักของผู้อื่นเขาก็หักขึ้นกันเขาไปกี่ตัวเขาเขามากกี่ตัวเข่าเสียหายเข้ากินเหล้าเม่าเนอะเฮ็ดความสัวขาผู้อื่นเอีเขาเสียใจบ่าเขาก็เสียใจเพราะนั้นขอให้พวกเขากระทะญาติโย้มหลุกลาเน้าแต่มาสู่วัดว่าศาสนานายกเพลินผ้ามาหมดเนี่นี่แหะ มาสู่วัดหลวงพ่อก็บอกเรื่องศีลเรื่องธรรมให้ฟังแนวจึงสี่หาฟังไหนยากเลยเคยแต่เงี้ยได้ฟังบ่ที่หลวงพ่อบอกให้ฟังยังสี่หลวงพ่อเอาความจริงมาเบอกให้ลูกให้หลานให้สัท่านหยาดย่มได้ฟังได้ศึกษาในเมื่อหูแลวว้วศิลหาไม่ประโยชน์มีคุณค่าตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้ผ่านน้ำสมาทานศีลนนะบานีน่า นะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะติันติตัตมาสีลังวิโสทะเยเอาอเดี๋ยวหลวงพ่อจะบอกยังให้ฟังสักหน้อยเน้อยังค่อยไปผู้ก่อนหนะ้าหน้านที่พวกข้าได้มาวัดมาว่าอย่างที่หลวงพ่อได้บอาแต่ขณะที่ขณะที่หลวงพ่อเทศนะจะยให้มีเสียงอย่างหน้า อย่าไปทายลูกโทรศัพท์คันปิดไฟกรดีคันผูดายมีโทรศัพท์ดังขึ้นออกหอกไปคุยข้างนอกอย่าพาคุยกันในขณะที่หลวงพอว่พอวอลพร่ำนั่นที่พวกข้าจะได้ม่าพบมาเจอกันคันปูดายอย่าคุยกันนู่จูงแขนก็เอกไปคุยข้างนอกนะออย่ามาคุยกันแถวๆนี้อแล้วก็กองทายลูกตีมีแฝดหามทาย พอทายเลยเสียสมาธิในการพูดแนะนำพวกเฮาอ้าวฟังนะวานนี้หน้าหลวงพอว่อเจวอยังให้ฟังอยู่ในความสงบนิ่งเมื่อนี่เป็นโอกาสเป็นมือหลึกสันวันดีนายกสุพนร์ชัยมีนายกเทศบาล น, นาคา อำเภอเมืองจังหวัดอุดอรเพิินผ้าพวกผู้เฒ่าผู้แก่มาวัดชมวัดมานูวัดอ่หลวงพ่อว่าเนี่ยหน้ายกของเพิินเนี่ยเพิเินเห็นคุณนค่าสิ่ผ้าผู้เฒ่าผู้แก่มาชมวัดว่าศาสนาหลวงพ่อกว่าเป็นคนดีนะอันนี้หลวงพอว่อบอกเมนหาเสียงซอยหน้ายกได้หนินะเ อ, าอ้าหลวงพ่อบอกตามคพ่อเป็นจริงได้ ยังว่าหลวงพ่อเบายังมีความจริงยังของหลวงพ่อกเบ า, เบ า, เบาเน่ายกันผู้ใดก็ตามผ้าขาวัดเขาวว่าเนี่ยหลวงพ่อว่าดีได้เอกันผ้าไปล่องไปหากินเหล่าไปหาเรียงเหล่าอันนั้นหลวงพอ่อว่าบดีเอไปหาผ้าขาวัดเขาว่ายัางสี่หละตีแหละหูจักศิลรู้จักถ้ำรู้จักสัมมาคารวะอไปหาคู่บาอาจารย์ไปไหวพ้พระสวดมนต์มาจังหวัดหลวงพอ่อหลวงพ่อเบาให้ฟัง นี่นะ่หรือคณะชาทธท่ายาดโยมหลุกลานเนอร์ปฏิบัติตนให้ถูกต้องเนอร์ผพวเข้าเป็นฆราวาสยาิโยมอยู่ในบ้านในเมืองในการทำมาหาเลี่ยงฉีบกย่าไปกี่เกียรขี่ข้านอุทธธานะสัมปทาเนี่ยถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันอัลละคะสัมปทาให้รักษาทรัพย์สมบัตินาทีตำแนงของจบของเอาไว้อย่าไป เออรักษาไว่ที่ของที่หามาให้รักษาไวอ้อาไรล่ะสัมปท า, านกัร l a y a n a m i ให้คบเพื่อนมูฟูพวกเพื่อนที่ดีงามจังหน้ายกจริงๆล่ะเปินเป็นเพื่อนที่ดีงามคล้ายๆเขาเปินเป็นผู้ภานั่มเขาซูวัดว่าศาสนาเออเป็นผู้พาไปวัดไปว่าจริงๆล่ะอันนี้กัาน layanamit าเออป้าปมิตรแบบห น, นึ่งเลย ชวนไปหาสื่อเหล่าชวนไปหาขา่าชั้นชาติยาฟินหามไปเมืองเล่าไปหาสื่อยาบา้มามะขายอันนั้นป่าประมิดเนเอยปาประมิดพ่อจับก็มาวัดเลยเมื่อตะกูลเลยนี่แหละกัรระยาณมิตรเนี่ยคือประพาไปทางที่ดีแนะนําไปทางที่ดีทํามากค้าขายกับเอชวนไปในทางไปทางที่ดี ว, ดว่ากัรระยาณมิตรปาประมิตรเนี่ยไปวัดไปในทางที่ชัว สัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบอย่าไปโคดไปโกงอย่าไปป่นไปจีอย่าไปโคดไปขโมยผู้อื่นมาเลี้ยงชีวิตของเฮาอันนี้เรียกว่าเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบนี่หละหลักธรรมขัามสอนของพระพุทธเจ้าพันวาริสอนในขี่เกียรติขี่ข้านเนีข้อที่หนึ่งพันวาจากไหนอุตธานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันรคาสัมปทา เมื่อขยันหาทรัพย์มาได้แล้วให้รักษาไว้เนออย่าไปใส่สุรุ่ยสุร่ายอย่าไปใส่ลุยสุยแสกเพราะหามายากขอที่สามกัลยาณมิตรให้ครบเพื่อนที่ดีงามหาเป็นผู้มิกลาเป็นกันลยาณมิตรขอที่สีสำ ม, มาชีวิตาเลี้ยงชีวิตในทั้งที่ชอบอย่าไปโคดไปโกงอย่าไปป่นไปจี้เขามาเลี้ยงชีวิตของเจ้าของเด้ออันนี้พระพุทธเจ้าเพิ่นสอนแล้วก็เพิ่นกระสอนอีก สําหรับพวกเข้าเป็นคราวะเนี่โนมมีม่พอมีแม่ให้หูจักสูงให้หูจักทำตําเนอให้หูจักสามมากคารวะเนอร์พอแม่ของเข้านี่คือไผ่วาพระเจ้าองค์หนึ่งก็ว่าได้ใครข่าวบอกเป็นผู้ประทานพ่อเป็นผู้ประสาสพ่อให้กับเข้าตั้งแต่เข้าเกิดมาเข้าเกิดมาจากไผเกิดมาจากพอจากแม่พ่อเกิดมาแหละพ่อแม่กับประทานพ่อนในลาบานี่ เออเลี่ยงเขาหน้ามพโฉนาอาหารจยากได้เสือผ่าพ่อแม่กับประธานพ่อนให้ประธานให้เอออยากได้เวลาเจ็บไข่ได้ป่วยกับพ่อแม่กับประธานให้เวลาหิวเข่าพ่อแม่กับประธานให้เออเวลาอยากน่มกับแม่ให้ประธานให้อยากเขียนหนังสือพ่อแม่กับหาทุนเลี้ยนให้เออต่อมาจยกได้ลูกได้เมียพ่อแม่อยากได้ครอบครัวพ่อแม่กับประธานให้ ที่ให้ที่หน้าพ่อแม่ประท่านให้นี่แหละคือพระเจ้าออของลูก เ, เป็นบุพผาจารย์ในรักร้ำคําสอนของพระพุทธเจ้าบุพผาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกของวุฒธธิดา อ, อและเป็นบุพภาการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนพวกเขาควรจะแสดงความกตัญญูกรตเตวทิทิตาอย่างไรต่อผู้มีอุปการะขุนอย่างพ่อแม่ของเราพ่อแม่เลี้ยงดูเข้ามาแล้วเข้าต้อง เลี้ยงท่านตอบทันวันเดชในลักธรำข้าสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจ ธ, ธุระของท่านดำรงวงศกุลประพฤตตนให้สมค ว, ควรควรรับทรัพย์มร ด, ดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือหน้าที่ของลูกของบุร ธ, ธิดาจะต้องปฏิบัติกับพ่อกับแม่บ่แม่ที่เลี้ยง พอแม่เลี้ยงเข้ามาแล้วบหุ่นจักบุญบหุ่นจักคุณนดาพอดาแมดูถูกเหย็ดหยามพอแม่ว่าผ้าถุกผ้าจนพอแม่เลี้ยงเข้ามาแล้วตั้งแต่เด็กขาสองแขนสองสีสะหนึ่งขาสองแขนสองสมองหนึ่งพร้อมที่จะเข้าพร้อมที่จะโดดไปในทิศทั้งสี่พร้อมที่จะวิ่งเต้นข้นควายมีความยันมั่นความความมั่นความขยันเท่าไหร่ เข้ามีสมองเท่าไดพยายามคนกว่าศึกษาหาทรัพย์สมบัติอยู่ในพื้นปฏิพีในพื้นแผ่นดินเนี่ย เ, เพื่อมาเลี้ยงชีวิตของเข้าขอบขัวของเข้าบ่เป็นเข้าที่งอมือเงาเท่าพิจาริยพอแมหาม า, หาไห้เด้พราเห็ุใดเพราะว่าเข้านี่เเป็นตัวของตัวแล้วนี่แหละในขั้งพระพุทธเ จ, าาจา้ามีเด้อในขั้งพระพุทธเจ้ามีพร้ามพุนเดงหรือพร้ามคือคือคนมีฐานะมีตระกูล คนแต่งานมาพคนได้ลูกเก่าคน้นลูกไส้ล้วนคนไปได้ลูกไา้ล้วนพ่อต่อมาเมียก็เลยตายพ่อนัตายแลย้วก็ลูกผู้พอเนี่ยก็เลยเลี้ยงลูกไส้เก่าไสา้คนแต่เพื่นหนึ่งหามันขยันหาเงินได้ได้เงินมันล้านนึงคนไปล้านก็หาปหัญหสมัยนั้นคนไปล้านก็หาปหัญหบ่แม่นน่อยได้หลายที่เดียวเลยตั้งตนตั้งตัวได้มีคนมีฐานะที่เดียวในชุ่มชน่น มานี่ผู้พอเนี่ยก็เลยเมียตายก็เลยเลี้ยงลูกใหญ่ขึ้นมากก็เลยแต่งงานให้ลูกใช่คนที่หนึ่งต่อมากกว่คนที่สองที่สามคนลูกใช่ก็คงจะเลี่ยงเลี่ยงกันนั่นแหละก็เลยแต่งงานให้มัดตั้งเก่าคนเพอาแต่งงานให้แล้วบ่ายตั้งลูกลูกใช่ก็เราบอกว่าเออพอผมอกับมีครอบมีครัวแล้วเอเงื่อนกับพอในล้านนึงเนี่ย แบงให้พวกผมสักผมจะเด็ดไปทํามากค่าขายเด็ดๆออกไปเอาเงินไปทําการค้าได้พอพวกผมก็มีครอบครัวทุกคนแล้วเออพอเออแบงพอพอเนี่ก็หามากกับเพื่อลูกนั่นแหละเอา ส, เสูเจ้าเสียเอาเท่าไรเงินเมื่อกี้เงินล้านนี่มืก่ม ก, ก, กีพวกผมขอคนละแสนในบวชพอเออได้พ อ, อ, พอก็เลยแบงให้คนละแสนละแสนละแสนละแสน เก้าขนเหมือนก้าวแสนบ้านเงินยังอยู่ตรงพอแสนนะี้บ้านเอออยู่ตรงพอหนึ่งแสนนึงบ่ายนี่กัพ่อนึ่งก็กไปค่าค้าขายค่าขายไปค่าขายมากค้ายๆไว า, ย, า, ย, า, ย, า ย, ยังพวกเข้าค่าขายนี่แหละมันเงยขึย้นไปเมื่อต้องได้ใส่เงินได้บ้านี้พอใส่เงินอีกโอ้พอพวกผมขออีกเถอะเออคนละมืออจากพอเดี๋ยวผมก็เลี่ยงพออยู่แล้วล่ะพอเออเอา หาอีกคนละเมินละเมินละเมินละเมินเออบาทนี้ยังเหลือเงิน้พอนี่มื่อนึงบาหาแล้วเอกไปไปบ้านยังเห็นเงินในพออีกจะได้อีกคนละพันเนี่ยวันนึงพันพันก็หาปหัญหาเอาพอ อ, อพวกผมขอคนละพันนี่นะเงิน เ, นเออพอก็หกายเอกไปถึงจงได้ก็โลกมันบ่ล่ะก็ห้ค น, ล ะ, นละพันละพันละวันยังเหลือเงินอยู่พันเนึ่องบาทนี่ แต่พ้นก็บริวารใช่ยังลอยในยพ้นบริวาปรปุณิบาธาเน่กันพ่อตอมากกันใส่อิลุยชุวยแจกได้พุอพอก็ใส่ตาม้นนั่นแหละก็คงจะแจกถูกแจกล้านไปน้ำแน่ เ, นเอาไปมากเงินลูกไส้แดงเอ่อพุพอเนี่ยกัดโยน้ำลูกไส้ผู้ ย, ยัยบ้านเอ่อพุลูกไส้คนโตพ่อเงินเม็ดเท่านั้นแหละลูกสะไพ่กับเบากันกแหนกันแหนแล้วบา้าน เออปูเข่าเนี่ยพ่อเข่าเนี่ยบ่หุ่จักบ้านผู้อื่นเนาะบาทางเงินเปิดแบงค่อกันบาทามาอยู่แต่มาอยู่แต่บ้านเข่าไ อ, อ้ลูกสะพยายวาเอาไปลูกสะพายคนโตว้าวขืนว่าเธอหนึ่งสองเธอขึ้นว่าพูปูนเนี่กันโมโหในใจเอาไปเอออันนี้มันเขาไล่กูหนีเด้เนี่ย ไ, ไล่กูหนีจากบ้านเด้นนเนี่ยเสนอเอาว่าเอาไปเอามา ก, กันเลยหนีเ อ, อ้ย สูบวาโยโกูนี้ไรนี้ไปโยน้ำบักสองคนอไปเพ่อบักสองเนี่ก็อยไ่ไม่ไมกะดีพ่อโย่ไปอีสักพักหนึ่งเมี่ยมก็ว่าคือเกาอีกเหมืปูบัทฮาเงินบาดแบงท้อกันบาดามาย่เมันมาอย่แต่บ้านเฮาพวกหุจักบ้านอื่ น, นเนาะเว่าผู้พอ่อผู้ปูเนี่ยก็ได้ยินคำเกาอีกชนอีกคนออกไปเขบาบอกเราเขาไล่กูตัวเนี่ยสินหนีคออกไป ไปโยนาำบันบักที่สามอีกไล่ลงไปจนหอดบักเก่าทลงไปเมี่ยบักเก่าก็ยังเบาขึ้นเก่าลงไปไหวกันเป็นหนงสี่กูอยู่กับไผ่่อไรตัวเนียวสันกูหาขอท่านกินดีกว่าแบบเหนียวสันเทาว่าเมื่ออะไรตายอยากกับลูกกูลงไปบาเดิ้เท่าแต่กันใดไปได้หม้อโล้หน่อยหนึ่งก็ไม่เท่าทองไปเออไม่เท่าจหรับไปหาบ้านขอเมืองอินเดียขอท่านกินได้เด้ ขั้นหมาจีไรกัดังี่ก็ไม่เท่าเท่าเนาดไล่หมาลงไปไล่หัวไล่ควายบาสเนี่ยเราก็ซัดเซ่พะเนี่ยจอนไปเรื่อยลงไปได้ผ่าจะมัดเป็นปุ่มจะสำหรับเป็นผานุผาหมอมนไปขอกินไปเรื่อยอะอกไปขอไปขอไปเออจนไปหอดหนาวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารพระพุทธเจ้าประทับอยู่ เขาไปเห็นนาวัดกันคือยังมาเห็นวัดนาวัดป่าหน้าคําน้อยสินะเฮ้ยเขาไปกราบอพระพุทธเจ้ากคหน้าทางเธอเป็นมี่ยังแนวเสียหายเาสร็จเลยภาว่าประค่อนจนเลยมันมีแต่แนวอยากได้เลยมันหิวเลยมันมิมีแนวสิ ก, กินเลยเพิ่งจีมีแนวเสียหายเยอะมากไปกราบพระพุทธเจ้าจักน้อยคไะเขาก็เลยแวะเขามาแวะเขามาพระพุทธเจ้าไปเห็นอุปนิสัยของพระามเลยเห็นพภาพย่างมากเพกิ่งก็เออเอา ไอ้พรามเข้ามาเชผ้ามก็เลยเข้าไปคนแกเนี่ยเข้าไปเข้าไปพระพุทธเจ้าก็ถามว่าผ้ามไม่ยั้งโอ้ยผู้ขาเดินหาขอท่านกินตามประสีภาษาตามอันนั้นแหละพ่อประทังชีวิตหาขอท่านกินเอา้าอาชีพตะกอนเพชรยั้งละ่ะเฮ้ยอาชีพขอท่านตลอดบอกับผมตะกอนก็เป็นผู้มีอันจะกินอยู่ในบ้าน ในทินหตระกูลนุนละ่ะทํามากค่าขายก็ได้ลูกเก่าคน้นผู้ใช้ทั้งหมดต่อมาเมียเขาเลยตายเออก็เลยพ่อเลี้ยงลูกมากแต่แต่งานให้ลูกลูกก็ได้ครอบได้ครวบมดเลยล่ละบาห้าแล้วก็อยู่กับลูกใชค้ค้นโตเขาก็ว่าจังสันที่สองที่สามก็วาขึนกระผมก็เลยโอ้ําคั่นไปหาอยู่หากินตามลาพังดีกว่าจำซาหอดมือตายเนีย่ยไปหาอาศัยพวกนี้ี่ย มันอุกใจญ่มาทุกใหครับลูกที่บอกก็แหนกแหนแบบนี่ทั้งที่ทรัพย์สมบัติเท่าก็บหาเขาจนหมดแล้วแหละแนบโมมีแนวสีหยห้แล้วเขาก็ยังบอกทั้งซี่อยู่หนีดีกว่าเก่ากับผมก็กอผู้ข่าข่าพระพุทธเจ้ากับที่มาจัง้งสี่แหละฮะขออยู่ขอกิดไปตามประสีภาษาพนะระพุทธเจ้าพูดว่าเออพร่ำ เ, เธอจะกล้าเว้าไหมกลับไปหาบ้านเก่า ไปหาลูกไช่ลูกจะไพ่ลูกหลานเอิรนมามวัดพี่น่องแล้วเดี๋ยวห้องสิสอนข่ำวาวหาสอนค่ํากาวสุดท่นโพธหิหายเสีเอาบอสี ว, าวา้าว้าเว้าบอสโว้ยก้ากันพระพุทธเจ้าสอนหาย้าเว้าทั้งมัดแล้วเออเอาฟังพระพุทธเจ้าก็สอนข่ําำหายวัดไปสอนสอนสอนหาจําได้บอสได้เอาบอสให้ฟังเน ภามกระเบ้าวอร่ฟังเอาอา่ันอร่อยเออออกไปกลับไปไปข้อไปหอดบ้านใอ้เอินเขาม่าเนอลูกเอ้ลูกสะใภ้ลูกไส้ล้านทุกขูทุกคนพี่น้องทุกขูทุกคนไอ้มาเนเอะอ้พวกข่านี่หนีจากบ้านจากเพื่อนหนีจากบ้านไปหลายปีดีดักแล้วกลับมาบ้านเนี่จะมาพบกับพี่กับน้องกับลูกกับล้านจะได้สร้างล่ากันละข้าวเนี่ยพอไปข้ากอนกับไปแบบ มาได้สั่งบาได้ล่าบาทนี่กษิตสั่งล่าลูกห ล, ลูานทุกขู่ทุกค น, จกนเจ้าก่อนอสีได้ไปละบาดเหี่ยมานะ้าเนอะบาในลูกหลานทั้งหลายเขาก็ม้าแล้วนาม้านี่นนแบบหนนนแหละแบบเข้านั่งยืนในสลากจีละผ้ามก็มันก็ขึ้นไปยืนจุดหนึ่งจีละยู่จังจอจฟอดจังเียวลงไป อ, อมีหมอลูกนี่หนึน่งแขนแอววจะไหมไแขนบาจะก็มีห่อผ่าคางนึงวาัาไปแล้วก็มีไม่เท่าไม่เท่ากับซัก เออผู้มีไว้เท่าจะละเอาฟังว่าจนี่ภามว่าพังเออคนท่หลาก็ฟังเงียบอย่างเข้าฟังเทศจริงสและพภามก็บอกว่าเลี้ยงบุตรสุดแสนจะลำบากไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจหมายคุณไม้เท้าพ่อนี้มีมากมายได้ํำกายยั่งย่องจ้องจดจุนจะเดินทางไปข้างไหนไกลสถาน เมื่อพบพานสัตว์ร้ายจะวัยวุ่นเอาไม้เท้าปัดวัดเวียงไปตามบุญคงมีคุณกว่าลูกที่ปะละเลยอันนี้คือคําสอนของพระพุทธเจ้าเด้เพิ่อนให้ภามวาว น, นไปความหมายของภามก็บอกว่า เ, เลี้ยงลูกมาถึงเก้าขนนี่ยูซไม่เท่าพอบอไดพอบาเลี้ยงมาแล้วบอเห็นบุญขุน อไม่เท่าของพอเนี่ยไปไสเนี่ยหมาจะกัดเอาไม่เท่าวัดเวียงไปองวว้อควายกัดเจ้ามาคัดเจ้ามาส้อนอก็ไล่ด้วยไม่เท่าไล่ไปลูกของเห่าเนี่ยเลี้ยงมาทางเก่าคนเนี่ยบ่รู้จักบุญคุณภาพมาในความหมายของของข้ามก่าเนี่ยนไปเลี้ยงบุตรสุดแสนจะลําบาก แต่ไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจหมายคุณไม้เท้าพ่อนี้มีมากมายได้คำกายย่างย่องจ้องจดจุนจะเดินทางไปข้างไหนไกลสถานเมื่อพบพ่านสัตว์ ร, ร้ายจะวัยวุ่นเอาไม้เท้าปัดวัดเหรียงไปตามบุญคงมีคุณกว่าลูกที่ปะละเลยแพร่หว่าบาติ ลูกชายข้นโตก็ได้ยินลูกสะพายข้นโตได้ยินอพ่อได้ยินก็กาบลงกับผื่นแล้วอพอนิ่มสารภาพผมก็บ่ิได้ดูแลพอยลีมิเตทํามาคา้าขายมิเตท่ามาหาเหลี้ยงชีพบริคิดบดรได้ดูแลพออยดีนะขออภัยขอโทษอย่างหมากพอพยไผ่ว่าเลี้ยงผมไมชเลี้ยงผู้เดียวอาจารย์เน่นลูกชายโต ว, ว่ะทางผู้สองผู้สามผู้สี่พ่อผู้เก่าโอ้ย ผมก็จะรับเลี้ยงพอพันไผ่ปลุกเลี้ยงผมใช่เลี้ยงอพอก็จากนั่นก็เล่นพี่น้องทั้งเก้าค้นเขาก็เลยหมุนเวียนผัดเปียนกันดูแลพอย่างดีตั้งลูกสะไพ่ก็ให้ความเคารพอีกเพราะว่าพอบอกวานมันสูงไม่เท่าพอบรได้เลยพอไอ้นั่นบาเนตอมาบาเน ข้าก็ได้รับความสะดวกสบายกับลูกทั้งหลายที่ได้เรียงดูพอกผ้ามก็เลยบอกโอ้ลูกเอ้ที่พอได้รับความสะดวกสบายจังสีนะเพราะว่าอพระพุทธเจ้าเป็นผู้แนะนําเป็นผู้สั่งสอนพอในจากที่ม่อนพระพุทธเจ้า่มาฉันในบ้านเท่าแล้วจะไงเอาแล้วแต่พอว่าแล้วแจะไงพอก็เล่ลูกทั้งหลายทั้งเก้าคนก็เลย จัดสถานที่ผู้พอก็เลยนมนมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์มาฉันพัตทหารจากนั้นพระพุทธเจ้าคนก็ได้มาเทศศาสนาวาการให้ลูกใา้ลูกสะัยลูกหลานฟังต่างค้นกับต่างได้ศีลได้ถ้ำได้เป็นพระโสดาบันทางมดฮนี่ลหละอันนีแหละเน่นี่ท่านหรือชาตรกเรื่องนี้บ่แมนลงพอเวา้าคืใดใจคืดเว้าเด้ไม่ไดพระไตรปิฎกเด้ พ่นั้นขอให้พวกเข้าท่านทั้งหลายให้สำเนึกดูสิว่าเข้าพวกเข้านี่พอแม่เลี้ยงดูห้ามาแล้วเนี่ยเข้าถึงตอบบุญแทนคุ้นเพลิอนอย่างบอ่อเฮฮาว่าสูไม่เท่าเพลินบะไร ย, ย่างทีวานีะเออเลี้ยงเลี้ยงบุตรสุดแสนจะลําบากแต่ไม่แทนมือพ่อแม่ได้เหมือนใจหมายเพ่อแดนขอให้พวกเข้าทบทวนเนื้อคณะสัตย่าญาิโยมลูกหลานที่ลงพอบอหอยฟั่งเนี่ยจียงบอ่อ คัว่าพวกเข้าปฏิบัติกับพ่อกับแม่เป็นธรรมต่อไปลูกหลานลูกของเข้าก็จะเห็นเขาปฏิบัติกับพ่อกับแม่เพื่อจะสืบเนื่องไปเรื่อยๆแต่าว่าพวกเข้าเหตุกับพ่อกับแม่บอดีนะลูกเข้าก็ดูถูกเข้าคือนกันต่อไปพ่ายภาคนาพวกเข้าจะได้นั่งออกหัวนําตาเสร็จหัวเข้าแล้วนั่ไปเพราะเหตุใดเพราะว่าเข้าพอปฏิบัติพ่อแม่ของเข้า ทำตัวบดีกับพ่อแม่ของเข้าลูกของเขาก็ถือเป็นตัวอย่างขึ้นกันการวาเข้าอยากให้ลูกเข้าดีก็เราต้องทำดีให้ลูกดูอยังโรงพอขึ้นกันอยากจะให้ลูกซิดดีก็ต้องทำดีให้ลูกซิดดูพ่อแม่ขึ้นกันอยากจะได้ลูกดีก็ต้องทำดีให้ลูกดูเพราะนั้นขอให้พวกคณะท่าญาติโยมลูกหลานทุกขุทุกคนนะทำตนให้เป็นคนดีเป็นตัวอย่างให้ลูกให้หลานต่อไปไหภาคนา การกล่าวการพูดในมือนดียก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณภาษีรัตนรัตไรพระพุทธเจ้าพระรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางหลายตลอดถึงบุญบ ร, รมีพ่อแม่คู่บาอาจา์ขอให้คุ้มครองสัทธาญ่ายอดงมลูกหลานทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญปราถนาสิง่งใดอยู่ในกรอบของศิลธรรมก็ขอให้สมหวัง ดังปราถนาทุกๆคนเทิน